สลายตัวไปมีผลทําให้พม่าต้องเสียเอกราชและตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งความผิดพลาดทั้งปวงของกรุงเสียยุทธยานั้นไปตกอยู่ในเมืองพม่าทั้งหมดผู้มีอำนาจหลงละเลงในราบยศวานสนามีการแข่งแย่งแข่งดีมีการทําลายล้างผลานกันเอง มีการคุ้มเชิงคอยช่วงชิงอำนาจวาสนาซึ่งกันและกันในถาำกลางความสับสนเหล่านี้พระเจ้ามินดุงก็ประทับอยู่บนราชบัลลังก์ยังไม่สู้จะมั่นคงนะัก สังคมพมา่ากับสังคมไทยในสมัยโบราณนั้นมีลักษณะอย่างเดียวกันถ้าจะบัญญัติสัพท์ขึ้นเรียกก็เห็นจะต้องเรียกว่าเป็นสังคมห่วงห้ามขึ้นต้นด้วยภาษาที่ใช้ในสังคมนั้นก็จะต้องมีราชาสัพ์สำหรับใช้กับคนชั้นต่างๆตังต้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายขุนนางลงมาจนถึงพระภิสูสงจะพูดจาตามใจไม่ได้การปลูกบ้านอยู่การแต่งกายละเครื่องประดับกายก็มีระเบียบแบบแผนกันหวดแน่นอนว่าใครจะต้องทำอย่างไรเช่นวังเจ้าจะต้องปลูกตำหนักแบบไหนมีทองพระโรงขนาดไหนบ้านขุนนาง จะต้องปลูกเรือนอย่างไรและบ้านราชสรดอนจะต้องปลูกขนาดไหนสูงต่ำอย่างไรเครื่องแต่งกายก็กำหนดห้ามไว้แน่นอนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผ้าคาดที่ทอด้วยเงินหรือทองนั้นใช้ได้แต่เจ้าหน้ายขุนนางใช้ไม่ได้และราษสรดอนสามัญ จะใช้ได้ก็แต่ผ้าฝ้ายเครื่องประดับที่ทาด้วยทองบางอย่างก็ห่วงห้ามไว้ให้ใช้ได้เฉพาะเจ้ามายขุนนางเท่านั้นแม้แต่เครื่องใช้เช่นหีบหมาด ก, กระโถนก็มีแบบแผนกาหนดไว้แน่นอนว่าคนชั้นไหนจะต้องใช้อย่างไรสังคมห่วงห้ามนี้ จะมีผลคงเหลืออยู่ในพมา่าในปัจจุบันนี้เพียงไรไม่สัตว์แต่ในเมืองไทยแล้วดูเหมือนจะฝังอยู่ลึกมากเพราะคนไทยทุกวันนี้จะทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเกินหน้าไปหรือไม่จะต้องเกรงใจผู้ใดหรือไม่และการตัดสินผู้อื่นภายในสังคมไทยก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์แห่ง สังคมห่วงห้ามนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าใครดีใครชั่วนักการเมืองหรือก้าราชการผูดด้ใดปลูกบ้านช่องอยู่ยางใหญ่โตหรูหราก็จะมีคนพูดว่าปลูกบ้านราวกับวังเจ้าคำพูดชนี้มีความหมายว่าเจ้าของบ้านนั้นทาเกินตัวผิดกติกาแห่งสังคมห่วงห้าม และสอไปในทางทุจริตกฎการต่างๆเหล่านั้นยังคงเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติคนไทยอยู่มากแม้ในปัจจุบันนี้ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อคนไทยกับคนอเมริกันมาคบกันเข้าและต้องอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดจะต้องมีเรื่องขัดหูขัดตาและขัดใจเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะ คนอเมริกันนั้นมาจากสังคมที่ปล่อยตามใจใครจะทำอย่างไรก็ทำได้ไม่ห้ามไม่ต้องเกรงใจใครไม่มีอะไรที่จะเกินหน้าตรงกันข้ามยิ่งเกินหน้าไปได้เท่าไรก็จะมีคนนับถือยิ่งขึ้นมากเท่านั้นคนในเมืองไทยเรามีความรู้สึก ฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจว่าเราอยู่ในสังคมที่ยากจนนับถือศาสนาที่สอนให้สละสมบัติทางโลกกราบไหว้พระซึ่งนุ่งห่มผ้าเพียงสามพื้นและรับอาหารบินทบาทความจนจึงเป็นอุ ด, ดมการของคนไทยใครอยู่ในตำแหน่งที่พอจะรวยได้แต่กลับยากจน ก็จะมีคนนับถือแต่สำหรับคนอเมริกันนั้นมีความรู้สึกว่าตนอยู่ในสังคมที่ร่ำรวยความจนจริงเป็นของที่พึงรังเกยียจควรปิดบังซ่อนเร้นแต่ความรวยหรือการกระทำตนให้เป็นเศรษฐีนั้นเป็นของที่ควรจะภาคภูมิใจเป็นเกียรติแก่สังคมอเมริกันควรยกย่องสรรเสริญส่วนคนไทยเรานั้น ใครอวดมั่งอวดมีเข้าก็จะต้องถูกนินทาไม่ถูกหาว่าโกงก็จะต้องถูกหาว่าเหอผู้เขียนเขียนออกนอกเรื่องไปไกลๆเช่นนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยสันดานของผู้เขียนไปเสแล้วถ้ายังรักกันอยู่ก็อย่าถือสากันเลย ท่านผู้เขียนได้บอกออกตัวไว้แล้วว่าเขียนออกนอกเรื่องไปไกลๆนี่จะกลายเป็นนิสัยสันดานของผู้เขียนไปเสแล้วถ้ายังรักกันอยู่ก็อย่าถือสากันเลยเอทีนี้ผมก็ตอบท่านเลยละว่าดีซ um ้ําเพราะเราได้รู้จักอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นกันอีกบ้างตอนนี้อ่านเข้าสู่เรื่องละ เมื่อพระเจ้ามินดุงสร้างกรุงมันดเลเสร็จแล้วก็เฉริมพระเจมามณฑีนประทับอยู่ที่นั่นในฐานะที่เป็นราชธานีกรุงอมรปุระก็ร่วงโรยไปอย่างที่กรุงอังวะเคยร่วงโรยมาแล้วฝูงชนก็พากันอพยพมาตั้งทำมาหากินที่กรุงมันเดเลอันเป็นเมืองหลวง ที่กรุงมันดเลนั้นมีฝรั่งมาอยู่หลายคนที่เข้ารับราชการกับพระเจ้ามินดุงก็มีหรือที่มาตั้งห้างค้าขายก็มีที่เป็นหมอสอนศาสนาก็มีพวกฝรั่งที่มารับราชการหรือมาค้าขายที่กรุงมันดเลนั้นรงได้เข้าไปอยู่แล้วก็ถอนตัวกลับได้ยากเพราะพวกที่รับราชการนั้นพระเจ้ามินดุง ทรงติดเงินเดือนเอาไว้เฉยๆเยงันแหละนานๆจึงจะจ่ายสักทีนึงฝรั่งก็ต้องทำราชการต่อไปเพื่อคอยรับเงินเดือนที่ค้างจ่ายส่วนผู้ที่ค้าขายก็เช่นเดียวกันผู้ที่ซื้อสินค้าฝรั่งมากที่สุดก็ได้แก่บรรดาพระมเหสีพระเจ้านมยฝ่ายใม่ อย่างพระเหศีนี่ทราบแล้วจำนวนตั้งสี่สิบห้าเจ้าจอมไม่นับก็ตเ้วารุค้าชั้นดีเหล่านี้จำนวนเป็นร้อยและเมื่อซื้อแล้วก็ยังไม่ชำระเงินทันทีคงค้างค่าของเป็นหนี้สินรุงรังกันทุกตำหนักไปฝรั่งก็ต้องอยู่คอยเก็บหนี้ และ ว, วิธีจะเก็บหนี้เก่าไปได้นั้นก็ต้องเอาของที่สั่งตกมาใหม่จากนอกเข้ามาลอกใครไม่ใช้หนี้เก่าก็ไม่ขายของหใหม่ให้พระเจ้ามินดุงนั้นโปรดการหล่อปืนใหญ่เป็นพิเศษฝรั่งคนใดมาอ้างว่าหล่อปืนใหญ่ได้เป็นเนี่ยพระงก็จะโปรดให้รับไว้ในราชการ ฝรั่งที่มาอยู่กรุงมันดะเลนั้นครั้งถูกพมา่าดูถูกเหยียดหยามาพวกฝรั่งที่มาอยู่กรุงมันดะเล่ครั้งนั้นน่ะถูกพมา่าดูถูกเหยียดหยามมากอยู่บ้านช่องฝรั่งนั้นก็ไม่ให้ตังอยู่ในเมืองแต่ให้ไปปลูกอยู่ในที่ชานเมืองระหว่างกำแพงเมืองกับคูเมืองนุ่นเวลาฝรั่งจะเข้าเมืองก็ห้าม นี่ให้ผ่านเข้าออกทางประตูอื่นให้ใช่แต่ประตูเดียวทางเดียวคือประตูผีแต่พระเจ้ามินดุงนั้นก็ไม่ได้ทรงเกลียดชังฝรั่งทรงหาทางที่ใจฝรั่งมารับราชการอยู่เสมอและทรงตั้งโรงกระสาบอูต่อเรือและโรงถลุงเหล็กหลอมปืนใหญ่ขึ้นแล้วให้ฝรั่งเป็นผู้ดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงจ้างแมแมแอนนาลิโอโนเวนให้เข้ามาตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอในสมัยนั้นเมื่อแมแมลิโอนโนเวนกลับไปแล้วก็มีครูฝรั่งอื่นๆเข้ามาสอนต่อๆกันมาจนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอทรงรู้ภาษาอังกฤษทรงพระอักษรในภาษาอังกฤษได้แตกฉานทุกพระองค์ผู้เขียนเองเคอได้เห็นสมเด็จพระพรมวส า, าอายียกาเจ้าทรงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นประจำทั้งที่มีพระชนพรรษามากแล้ว ท่านผู้เขียนพาเราแวะออกไปนอกทางนิดนึงความตอไปว่าที่เมืองมันดาเลนั้นมีหมอสอนศาสนาชาวกรษคนหนึ่งชื่อด็ตอร์มาร์คหรือหมอมาร์คไปตั้งโรงเรียนสอนภาษากรงกอยู่พระเจ้ามินดุงก็ทรงพระเจ้าลูกเธอที่อย่างทรงพระยาวมาเข้าโรงเรียนของหมอมาร์คในจำนวนพระเจ้าลูกเธอที่มาเข้าโรงเรียนนี้ก็มี พระองค์เจ้าสีปอซึ่งได้ขึ้นเถลิงราชสมบัติต่อจากพระเจ้ามินดุงรวมอยู่ด้วยวันที่พระเจ้าลูกเธอสเสด็จมาเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกนั้นออกจะน่าสนุกหมอมากกํำลังสอนหนังสืออยู่ในชั้นมีเด็กนักเรียนวิ่งเข้ามาบอกว่ามีนักเรียนใหม่จะมาเข้าโรงเรียนหมอมา ก, ก็ไปดู ปรากฏว่าพระเจ้าลูกเธอองค์เล็กๆสเสด็จมาโรงเรียนด้วยกระบวนช้างกั้นพระกรดทองทุกองค์และมีตำรวจถือหวายแหมีเจ้ากรมประหลัดกลมเดินเป็นคู่เคียงและมีมหาดเล็กเชิญเครื่องตามสเสด็จมาครบหมอมาต้องเอะอยู่นานจึงรู้ว่าใครเป็นนักเรียนใหม่ใครเป็นกระบวนแห พอได้องค์นักเรียนใหม่แล้วหมอมา ก, ก็นำองค์เข้าห้องเรียนพอเสด็จ เ, เข้าไปนักเรียนทั้งหมดอยู่ในชั้นเรียนนั้นก็ดหมอบลงกับพื้นตรงเ อ, อะอุวนวายกันอยู่นานพอหมอมากจับนักเรียนคนหนึ่งขึ้นนั่งโต๊ะได้ก็ไปจับตัวคนอื่นขึ้นนั่งโต๊ะอีกระหว่างนั้นนักเรียนคนที่ถูกจับตัวขึ้นนั่งโต๊ะแล้ว อพอหมอมากไปจับตัวคนอื่นเอาคนนี้ก็จะหมอบลงไปใหม่ว่ากันทุรักทุเลอยู่นานเจ้าหน้าองค์เล็กๆที่มาเข้าโรงเรียนก็ทรงพระสวนกันเกลียวกราวเห็นเป็นของสนุกซึ่งมันก็ออกแยน่าสนุกจริงๆเลยกระมังแต่เจ้าหน้าที่มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนหมอมากนั้นเห็นจะไม่ได้ทรงเรียนจริงจังนะะักเพราะทรงหยุดเรียนบ่อยๆ ด้วยเหตุแปลกๆหมอมากเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเจ้านายหยุดเรียนทุกพระองค์ไตาถามดูได้ความว่าสเสด็จไปทอดพระเนตรเขาตัดหัวคนที่เป็นกบฏเลยหยุดเรียนกันหมดเลยหมอมากคนนี้พระเจ้ามินดุงออกจะไว้วาพระเจริษไทยมากครั้งหนึ่งเคยตรัสใ้หมอมากเป็นราชทูต จำถูมประจาศานไปยังพระนางวิคตอรียแห่งกรุงอังกฤษเพื่อขอประจานเมืองบัดเซนอันเป็นเมืองท่าภาคใต้ที่อังกฤษยึดเอาไปนั้นคืนมาแต่หมอมากไม่ยอมไปว่ากันว่าพระเจ้ามินดุงกลิ้วมากไม่โปรดให้หมอมากเข้าเฝ้าอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้ทรงทำอะไรกับหมอมากเกินไปกว่านั้นเลย เมื่อพระเจ้ามินดุงเดชเสด็จมาประทับอยู่ณกรุงมันเดเลแล้วก็ได้มีพระชาชศัทธาสร้างพระอารามหลวงต่างๆขึ้นแต่ละพระอารามก็ล้วนแต่ใหญ่โตและงดงามวิจิตรที่พระอารามชื่อว่ากุโศดอนั้นโปรดให้จารึกพระไตรไปิฎกลงไว้บนแผ่นศิลา และปริศฐานศิลาเรานั้นไว้อย่างถาวรอีกวัดหนึ่งทรงให้สร้างพระพุทธรูปเรียกว่าพระอัฏฐารรถสูงถึงส0สิฟุตมีเพชรเม็ดใหญ่ฝังไว้เป็นพระอุณาโลมที่วัดเชิงเขาม a n d เลก็โปรดให้สร้างพระพุทธรูปด้วยศิลาอ่อนองค์ใหญ่มาก ถวายพระนามว่าพระมาหาโลกัเสมิงในเวลานั้นซึ่งตกอยู่ในราวปีพุทธศักราช2405 เ, เรียกว่าเมื่อร้อยกว่าปีมานี่เองพระเจ้ามินดุงไม่ค่อยประทับอยู่ในพระชฐานนะแต่เสด็จออกไปประทับแรมนับพรลาที่ปลูกไว้ ตามพระอารามต่างๆที่กำลังก่อสร้างเพื่อทอดพระเนตรการสร้างวัดพระเจ้า ม, มินดุง ม, มิได้ทรงละเลยพระเกศธาตุชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งแต่โปรดให้สร้างมงกุฎขึ้นใหม่สำหรับสวมยอดพระธาตุเจดีนั้นเสร็จแล้วก็โปรดให้จัดขบวนแห่ล่องลงไปตามรำแม่น้าอิรวดี แต่อังกฤษก็ห้ามเข้าห้ามกระบวนแห่นั้นไว้ที่เมืองด่านแดนต่อแดนระหว่างพม่าเหนือกับพม่าใตา้คงปล่อยให้แต่พระสงฆ์คุมมงกุฎ เ, เรียกว่ามงกุฎเพชรเถอะลงไปเมืองอย่างกุ้งทางนี้เพราะอังกฤษถือว่าถ้าปล่อยให้กระบวนแห่ของพระเจ้ามินดุง ลงไปได้ถึงพม่า ก, ก็จะถือเอาว่าอังกฤษคงยอมรับว่าพระเจ้าแผ่นดินพม่ายังมีพระเจ้าอํามาตย์เหนือดินแดนที่อังกฤษครอบครองอยู่พระเจ้ามินดุงได้ทรงสถาปนาพระนุชาองค์หนึ่งขึ้นไว้ในตำแหน่งพระมาหาอุปราชพระนุชาพระองค์นี้ ได้ร่วมคิดกับพระเจ้ามินดุงมาเมื่อปลดพระเจ้าพักันมินออกจากราชบัลลังก์การที่พระนุชาอยู่ในตำแหน่งมหาปราชนี้ย่อมไม่เป็นที่ไม่พอพระไัยพระราชรสของพระเจ้ามินดุงซึ่งเจริญพระชนมายุเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วพระทรงคิดไปว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าบิดาสวรรคตลง ราชบัณรังก็จะไปตกอยู่กับพระหมหาอุปราชผู้เป็นพระนุชาของพระราชบิดาจะไม่ตกแก่พวกตนซึ่งเป็นพระเจ้าโอรสพระเจ้ามินดุงมีพระเจ้าอรสมากมายหลายองค์ความขุณคข้องหมองใจก็คงจะมีอยู่ทั่วไปในเรื่องนี้พระเจ้าอรสสองพระองค์ทรงพระนามว่า เจ้าฟ้ามายิงโกนและมายิงโกนแดงได้ฟองสมผู้คนคิดกระบฏขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2406ที่เรียกว่าเจ้าฟ้าในที่นี้ก็เพราะพระจชบุตรสองพระองค์นั้นร่วมราชชนนีผู้ส่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดุงอีกองคหนึ่งทรงพระนามว่าพระนางตองสวย เจ้าฟ้าสององค์นี้ได้ให้โหนหาฤกษ์วันที่จะทำการใหญ่โหนก็ถวายฤกษ์ให้ทำในวันที่พระเจ้ามินดุงจะไปประทับแรมนอกพระราชฐานข่าวที่ว่าเจ้าฟ้าสององค์ส่องสุมผู้คนไว้ น, นั้นได้ทราบไปถึงพระมหาอุปราชผู้เป็นพระนุชาน พระมหาปุราจึงเรียกชุมมุมขุนนางที่วังเพื่อปรึกษาเรื่องนี้พระเจา้าฟาสององทรงทราบว่าพระมหาอุปราชกำลังประชุมขุนนางอยู่ก็ตรัสสั่งให้ข้าไทยที่มาชุมมุมกันอยู่ที่วังนั้นยกเข้าไปในพระราชวังเลยทีเดียวและระหว่างนั้นก็จุดไฟเผาเมืองมันเดเลขึ้นหลายแหง่งเกิดความวุ่นวายไปทั่วเมื่อเจา้าฟาสององยกพลเข้าไปในวงัง ไร่ข่าทหารและขุนนางที่บังอาจสู้รบแล้วจับตัวพระหมหาอุปรัตได้จากฟ้ามายิงโกนแดงชักพระแสงออกตัดพระศอพระหมหาอุปราชเองเลยทีเดียวแล้วร้องว่าฝ่ายเราชนะแล้วเจ้าแม่และคุนนางซึ่งพวกกบฏจับตัวไว้ได้ในวังนี้ถูกฆ่าเสียมาก และพวกกบฏก็ยกออกจากวังมุ่งหน้าไปยังพระพลาที่ประทับของพระเจ้ามินดุงเพื่อจะจับพระเจ้ามินดุงสำเร็จโทษเสียด้วยแต่กินวุนมินมงกี้เด็กคุ้มหานออกมาคอยสู้พวกกบฏอยู่นอกวงังได้สู้รบกันเป็นสามารถทวงเวลาไว้ได้ไม่ให้พวกกบฏ เข้าไปถึงพระองค์ของพระเจ้ามินดุงได้ในทันทีกินวุลมินกี้นั้นต้องอาวุธบาดเจ็บสาหัสจนพวกกบฏนั้นนึกว่าตายาจริงรอดชีวิตมาได้อย่างวุ่นวิตฝ่ายพระเจ้ามินดุงพอทรงทราบเรื่องกอเสด็จออกจากพระพรามีทหารและขุนนางตามเสด็จมาไม่กี่คนพระเจ้ามินดุงเสด็จเข้าพระนครโดยด่วน ที่ประตูเมืองนั้นจ่าฟ้าสององได้คนสนิทคอยเฝ้าอยู่มีรับสั่งไว้ว่าถ้าเห็นพระเจ้ามินดุงผู้เป็นสมเด็จพระชนกนาศเสด็จมาถึงเมื่อใดค่อยปรงพระชนเสียพอพระเจ้ามินดุงเสด็จมาถึงประตูเมืองคนสนิทของพระเจ้าบุตรก็วิ่งออกไปพระเจ้ามินดุงไม่ทรงทราบก็กรัตเรียกให้คนคนนั้นเข้ามาเฝ้า พระทรงขึ้นขี่คอรัดให้คนคนนั้นแบกพระองค์รีบกลับไปในวังด้วยเดชาพระบรารมีคนสนิทของพระชบุตรก็ไม่กล้าทำร้ายพระองค์กลับยอมให้พระเจ้ามินดงทรงขี่คอและเข้ามาจนถึงพระราชวังเมื่อเสด็จลงจากคอพระบาทเหยียบพลาดไปถูกเอว เจ้าคนร้ายนั่นอาวุธมีคมที่ซ่อนไว้ในผ้าขาดร่วงลงมาคุณนางที่ตามเสด็จก็ร้องขึ้นและมีทาาหลวงคนหนึ่งหมอบอยู่ใกล้เห็นอาวุธร่วงลงมาก็คว้าอ า, อาวุธนั้นแทงเจ้าคนร้ายนั้นตายขาที่นี่ฟังดูเหมือนเรื่องในพระเจ้พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแหละ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเมืองพมา่าก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงสองปีเท่านั้น เ, เรื่องราวจากแมนพระเจ้ามินดุงกอบโปรพระชจาทานบำเหน็จแก่เจ้าทาดคนที่คว้าอาวุธมาแทงคนร้ายตายนั้นเป็นอันมาก แล้วโปรดให้รับราชการเป็นมหาเล็กต่อมาคนคนนี้ได้มีวัสนายศักดิ์ขึ้นไปตามลำดับถึงได้เป็นปองวุลหรือเจ้ากรมเรือหลวงในรัชการพระเจ้ามินดุและในรัชการพระเจ้าสีป่อและต่อมาได้เป็นถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาลเทียบตำแหน่งยมราชของไทย ความดำเนินต่อไปว่าดังนี้คือพระเจ้ามินดุงไนะด้โปรดพระเจาทานบำเหน็จแก่ทาสที่แทงไอ้คนร้ายตายนั้นเป็นอย่างมากแล้วโปรดให้รับ ราชการเป็นหัดเล็กต่อมาคนขนนี้ได้มีวาสนายศักขึ้นไปตามลำดับได้เป็นปองวุ่นหรือเจ้ากรมเรือหลวงในราชการของพระเจ้ามินดุงและในราชการพระเจ้าสีปอแล้วต่อมาเนี่ยได้เป็นถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาน เทีตำแหน่งยมราชของไทยมือมีดคนนี้ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นี้ต่อไปอีกมากฝ่ายเจ้าฟ้าสององค์เมื่อได้ทรงทราบว่าพระเจ้ามินดุงกลับเข้าพระราชวังได้ก็ยกพลเข้าตีพระราชวังอีกแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเสียเพราะคุณนางทั้งหลายพอรู้ว่าพระเจ้ามินดุง เสด็จกลับเข้าพระราชวังได้ก็พากันมารักษาพระองค์อย่างมากมายตีทับพวกกระบฏถอยไปเจ้าฟ้าสององค์หนีไปยังแม่น้ำอิระวดียึดเอาเรือกลไฟพระที่นั่งชื่อเรือเยนาสเกกยะเยนานเซกยะเยนานเซกยะ ชื่อก็ชื่พมา่าก็เรียกยากอย่างเนี้เอายึดเดีเรือพระที่นั่งนี้แล้วก็หลงไปตามอรัมามีรวดีไปมอบตัวเองให้แก่อังกฤษที่มึงย่างกุ้งอังกฤษก็พาตัวเจ้าฟ้าสององค์นั้นเอาตัวไปจําไว้แต่ก็ไม่ได้ส่งตัวคืนให้แก่พมา่าพระมหาอุปราชนั้นมีพระโอรสอยู่องค์น เจ้าประแดงเมื่อพระบิดาถูกปรองพระชนจ่าประแดงก็หนีจากเมืองมันเดเลขึ้นไปยังเมืองชเวโบอันเป็นเมืองประสูตรของพระเจ้าอัลลองพระหรือมังลองประถมมกษัตริย์ณที่นั้นจ่าประแดงก็ตั้งกองส่องสมภูรณ์ขึ้นคิดจะชิงอราชสมบัติมีฆาตไทยของพระมหาป ร, ราชญไปเข้าถวายตัวประจํานวนมาก พระเจ้ามินดุงทรงทราบเรื่องก็ทรงส่งขุนนางขึ้นไปเจรจาเกลียด ก, กลอมแต่เจ้าประแดงก็มีเด็ดฝังกรับยกทัพจะมาตีเอากรุงมันดเดลฝ่ายพระเจ้ามินดุงก็ทรงพระเมตตาและเห็นพระทัยพระเจ้าประแดงผู้เป็นพระชนะ ด, ดาอยู่มากเมื่อต้องเสียพระหมหาป ร, ราชผู้เป็นพระนุชาไปและต้องเสียพระเจ้ารถซึ่งคิดกบฏปีกสอง รวมทั้งขุนนางเจ้านายพระยุระญาติอีกหลายองค์ก็เสียพระเจริญททยร่างกายพบประกอกายก็ซุดโทมอยู่แล้วนี่พอได้ข่าวว่าพระเจ้าประแดงผู้เป็นพระเจนัดดายกทัพมาจะตีออกกรุงมัณฑลเลยก็ไม่ได้ทรงคิดจะสู้รบมีพระเจดมริที่จะสละราชสมบัติและยกราชสมบัติให้แก่พระเจ้าประแดงเสีย เพื่อไม่ให้ต้องเสียเลือดเนื้อไพรพลกันต่อไปเมื่อมีพระเจดารัดกับพระเมหศีทั้งหลายในเรื่องนี้พระเมหศีต่างก็พากันกราบบังคมทูลทัดทานไว้จึงเปลี่ยนพระทัยและกรับสั่งให้พระโอรสสามพระองค์คือพระองค์เจ้าสังพระองค์เจ้าเมคระและพระองค์เจ้ายองยาน ออกไปกะเกณฑ์ทหารรักษาพระนครต่อสู้กับกองทัพเจ้าประแดงอข้างฝ่ายกองทัพเจ้าประแดงนัง่นพอเห็นทางกรุงมันเรจัดการสู้รบแข็งขันพวกข้าไทยของพระเจ้าประแดงก็เริ่มจะรุนเรคิดเอาใจออกหากะละพากนันหนีกองทัพไปเป็นจนํานวนมากในที่สุดกองทัพของพระเจ้าประแดง ก็ละลายหายไปเฉยๆเรียกว่ากองทัพสลายตัวเถอะคือทหารหนีทัพหมดเจ้าประแดงเอ่อก็เหลือแต่องค์เดียวก็เลยต้องเที่ยวหนีซุกซ่อนไปตามที่ต่างๆในที่สุดถูกจับได้พร้อมด้วยเจ้านายผู้ชายที่เป็นม้องอีกหลายองค์คราวนั้น ได้มีการตั้งศาล ร, รับฟังขึ้นชำระความมีเจ้าหญิงญานมนองเนียนพระธิดาของพระมหาอุปราชตกเป็นจำเลย อ, อยู่ด้วยเมื่อเจ้าหญิงต้องจารีตนครบานเข้าก็รับเป็นศัตร์และสัต์ทอดไปถึง เ, เจ้าไมา้ขุนนางอีกมาก เมื่อเจ้าหญิงต้องจารีตนครบานเข้าก็รับเป็นสัตว์และสัตว์ทอดไปถึง เ, เจ้านายขุนนางอีกมากสาราลูกขุนหลุดดอพิาพากษาให้สมเร็จโทษเจ้าประแดงและเจ้านายที่สมครบรู้เห็นเสียทั้งสิ้นขุนนางที่ผัวพันนั้นค่อยลงโทษประหารชีวิตให้หมด คนที่จะถูกประหารในครั้งนั้นมีจำนวนตั้งร่วมร้อยคนการสำเร็จโทษเจ้านายนั้น พม่าใช้วิธีเดียวกับไทยอ่ะคือเอาองค์เจ้านายใส่ถุงถุงใหญ่แล้วทุบด้วยท่อนจันวิธีนี้เป็นวิธีเก่าแก่โบราณมาโคโปโลฝรั่งชาวอิตาลีที่มายังเอเชียก่อนฝรั่งคนอื่นๆเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วก็ได้บันทึกเรื่องนี้เอาไว้เหตุที่ต้องใช้ท่อนจันสำเร็จโทษ และไม่ใช่ของมีคมสำเร็จโทษนั้นก็อาศัยหลักที่ว่าโรหิตพระเจ้าแผ่นดินหรือเลือดขติยวงศ์นั้นจะตกลงถึงแผ่นดินไม่ได้ถุงที่ใส่นั้นใช้ผ้าหรือ ก, ก ร, รมหยี่สีแดงเพราะสีแดงเป็นสีของขติยะและมีประโยชน์ที่ว่าถึงแม้ว่าจะตกพระโรหิตออกมาบ้าง ก็จะซึนอยู่ในผ้าสีแดงนั่นเองมองไม่เห็นในเมืองไทยนั้นที่ที่จะสำเร็จโทษเจ้านายต้องตัดใบตองปูลงบนพื้นดินอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันให้แน่นอนยิ่งขึ้นมีให้พระโลหิตตกถึงพื้นดินได้และใบตองนั้นก็เทียบเท่ากับเป็นผ้าพระสติก ข, ของไทยมา แต่หมายแต่ไรแล้วส่วนท่อนจันทร์ที่ใช้ทุบนั้นความจริงมิใช่ท่อนสูงทั้งท่อนหรอกแต่เป็นไม้พรองที่เหลาแล้วรูปร่างเหมือนไม้ตีเบสบอลของฝรั่งอะมีขนาดและน้ำหนักที่จะเวียงได้พอดีและอาการที่ทุบนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุบจนเละเป็นแน่นอน แต่จะต้องเล็งให้เด็กตรงคอต่อแล้วก็ตีลงไปตรงนั้นแรงๆโป๊กเดียวคอต่อหัด ก, กอสวรรคตรที่วงโคตรสิ้นพระชนหรือสิ้นชีพตักสายสุดแต่กรณีจเจ้ามน้าในเมืองไทยซึ่งถูกลงโทษด้วยวิธีนี้เป็นองค์สุดท้ายก็คือม่อมไกรสอน พระราโชรถในราชการที่หนึ่งต้องถูกสำเร็จโทษในราชการที่สามหม่อมไกรสอ น, น, น เ, อเมื่อก่อนที่จะต้องโทษเคยมีตำแหน่งราชการใหญ่โตเคยทรงบังคับบัญชากรมกองต่างๆมามากรวมทั้งกรมวังซึ่งมีหน้าที่ต้องสำเร็จโทษเจ้าหน่ายด้วยเมื่อถึงคราวต้องถูกสำเร็จโทษ ราชมันผู้ต้องใช้ท่อนจันคงจะประมาจจึงเวียนเวียงท่อนจันไปผิดผิดถูกถูกหมายความว่าไม่ตรงที่หมายที่สำคัญคือไม่ตรงคอตอกเล่ากันว่าหม่อมไกรสอนท่านกิวออกมาจากในถุงนั่นเลยทีเดียวอว่ามามว่า ไอ้พวกนี้สอนไว้แล้วไม่จำเอาขอหันกลับเข้าเรื่องขอเล่าเรื่องการสำเร็จโทษเจ้าปะแดงและเจ้านายพี่น้องต่อไปใหม่ที่เมืองบันดดเลนะั้นรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียตั้งตัวแทนไปอยู่ประจำสำหรับรักษาผลประโยชน์ของอังกฤษเรียกชื่อตำแหน่งว่า เรสิดเอนคนที่เป็นเรสิดเอนอยู่ในขณะนั้นชื่อกับตันสเลเดนกับตันสเลเดนนั้นออกจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามินดุงอยู่เพราะเข้าหนอกออกนายได้ทุกโอกาสวันหนึ่งกับตันสเลเดนเห็นเขาคุมตัวเจ้าประแดงพร้อมด้วยเจ้านายพี่น้องผ่านมามีกรมมาวังเชิญท่อนจันและถุงผ้าแดง สายพานตามมาด้วยกับตันเตเลเดนก็รู้ว่าเหมือนเขากําลังจะนําองค์เจ้านายเหล่านั้นไปสําเร็จโทษกับตันเตเลเดนจึงขึ้นมาแล้วขั่วไปที่ประตูวงังลงจากหลังม้าได้ก็วิ่งเข้าไปฝ้าพระเจ้ามินดุงเพื่อขอพระเจ้าตานอภัยโทษให้แก่เจ้านายเหล่านั้นไว้เนื่องด้วยกับตันเตเลเดนเป็นคนโปรดของพระเจ้ามินดุงอยู่จึงไม่ต้องเสียเวลารอนาน เมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วกับตันสเลเดนก็ขอพระชจาทานอภัยโทษให้แก่เจ้าประแดงและเจ้านายอื่นๆพระเจ้ามินดุงนั้นความจริงน่ยก็ทรงพระเมตตาเจ้าประแดงผู้เป็นราชนัดดาอยู่แล้วพอฝรั่งเข้ามาขอพระชจาทานอภัยโทษให้ก็โปรดพระเจ้ทานให้มีรับสั่งให้มหาเล็กทําหมายประกาศพระชจาทานอภัยโทษ แกเจ้าประแดงและเจ้าไม้อื่นๆทุกองค์มอบให้แก่กัปตันสเลเดนกัปตันสเลเดนก็ถือหมายนั้นรีบออกมาจากที่เฝ้าแล้วรมนรานขึ้นมาควบม้าไปยังตะแลงแกงการสำเร็จโทษนั้นกำหนดไว้ว่าจะเริ่มกันตอนพลบคำ่ำเมื่อกัปตันสเลเดนออกจากที่เฝ้านั้นบ่ายมากแล้ว เมื่อกับตันเสลเลนควบมามาถึงที่สําเร็จโทษนั้นยังไม่ทันพรบหรอกเจ้าหน้าที่ในการสำเรโทษนั้นเตรียมการไว้พร้อมแล้วยังแต่จะลงท่อนจันเท่านั้นแหละขณะนั้นได้ยินเสียงพิธามาควบมาอย่างเร็วมองไปและเห็นคนขี่มามาแต่ไกลมือโบกกระดาษอะไรก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็ให้ตกใจคิดว่ามีกระแสรับสั่งออกมาให้เร่งสําเร็จโทษ นี่คิดไปชังนั้นจริงจริงลงท่อนจันทันทีพอกลับตันเรลเดนมาถึงและกว่าจะพูดจากันรู้เรื่องนั้นเจ้าประแดงก็มีพระอาการเกินแก้เสียแล้วช่วยให้รอดมาได้แต่เจ้านายพี่น้ององค์อื่นๆเท่านั้นเออเรื่องตอนนี้ ฟังดูเหมือนขุนช้างขุนแผนตอนประหารชีวิตนางวันทองไม่มีผิดอะเพราะวัยได้รับพระาชทานอภัยโทษให้แกแม่แล้วขวบมาไปยังตะแรงแกงเพชรขาดเกิดเข้าใจผิดนึกว่ามาเร่งให้ลงดาบนี่เรื่องมันเอ่อเรียกวา่าคล้ายคลึงกันเอาอย่างนั้นเลยทีเดียว หลังจากสมเร็จโทษเจ้าประแดงผู้เป็นพระชนนด่าแล้วพระเจ้ามิงดุงก็ดูเหมือนจะใส่พระชจริญไทยในการพระชกุศลนยิ่งขึ้นโปรดให้นิมนต์พระพิสุสงทั่วราชนาจักรมาประชุมทำสังขยาพระไตรปิฎกที่กรุงมันดาเลและบำเพ็ญพระเ จ, ะเจกุศลนเป็นมหากรรมต่างๆ เช่นฟงเลี้ยงพระวันละสองพันสี่ร้อรูปเป็นประจำทุกเช้าและเพลนจนเสร็จการสังกายนะแล้วยังถวายเจตุปจยัยไทยตามแก่พระสงฆ์ที่มาประชุมในครั้งนั้นอีกเป็นอันมากอ่อมุนพม่านี่ดูว่าเขาใส่ใจเรื่องการศาสนาอยู่พอสมควรทีเดียว ในครั้งนั้นพมา่าออกจะตื่นเต้นโอบอวดมากทีเดียวว่าเป็นการทำสังคยนาขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ทำในลังกามาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อสองพันปีมาแล้วแต่ความจริงเมืองไทยเราได้ทำสังขยามาก่อนแล้วคือได้ทำในรัชกาลที่มึนระชวงศ์จั ก, กรีเนี่ย เพราะความจำเป็นที่พม่ามาทำให้บ้านเมืองแตกระสำมรสายบังคับให้ต้องทำมิได้ทำเพื่อเป็นการกุศลมหากรรมโอ้อวดคนเล่นอย่างในสมัยพระเจ้ามินดุงหรือแม้แต่ในสมัยอุนุจากนอกจากการพระเจ้ากุศลแล้วพระเจ้ามินดุงก็หันมาสายพระจุลไทยกับการค้าขายส่วนพระองค์มากกวาราชการงานเมือง ฟังให้ดีการค้าขายส่วนพระองค์มากกว่าราชาการงานเมืองมิได้ทงซ้าสิ่งไรไว้พืชที่ใช้บานเมืองสงบสุขต่อไปเมื่อสิ้นราชาการของพระองค์แล้วคนที่มีอำนาจแล้วเริ่มการค้าขายจนร่ำรวยก็มักจะลืมตายกันอย่างนี้ทุกคนแหละ สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้ามินดุงมิได้ทรงตั้งเจ้านายองค์หนึ่งองค์ใดให้เป็นรัชทายาท่ะทรงตั้งไว้แต่พระชจิดาองค์หนึ่งในตำแหน่งจะ บ, บินแดงซึ่งจะต้องเป็นพระอัครมเหสีในราชการต่อไปดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นพระชจิดาองค์นี้ทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าสลินสุพยะ เซลินสุพยาฝรั่งเขาคิเรียกว่าเซลินาโซเฟียเป็นพระจัติดาในพระมเหสีองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระนางลิมบินแต่พระจ้รสองค์ใดจะได้อภิเศกกับพระชิดาองค์นี้แล้วได้สวยรัตมต่อไปไม่มีผู้ใดทราบ ขณะนั้นพระเจ้ารัชพระเจมินดุงได้ทรงพระเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าหลายองค์แล้วบางทีพระเจ้ามินดุงอาจจะทรงคิดไปว่าหากทรงสถาปนาราชรัชองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นไว้ในตำแหน่งรัชทายาทอาจจะเกิดการแก่งแย่งอิจฉาริษยากันขึ้นมาก็ได้เหมือนดังที่เด็กเป็นมาแล้วป่างพระนุชาขึ้นเป็นมหาอุปราชเท่านั้นเองโอรสของพระองค์เองก็ กำหนดเสียเลยแต่การที่ไม่ทรงกําหนดไว้แน่นอนนั้นก็ย่อมจะนํามาซึ่งความเจราจาจนเมื่อสิ้นแผ่นดินของพระองค์ไปแล้วโดยไม่มีปัญหาคือต้องเกิดวุ่นวายแน่นอนถ้าสิ้นพระเจ้ามินดุงไปแล้วต้องวุ่นวายล่ะปัญหาเรื่องแย่งราชสมบัติกันนี้เป็นปัญหาทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยา ในระยะท้ายๆการแก่งแย่งกันนั้นทำให้ต้องรบราค่าฟันกันผู้มีความรู้ความจมาในการปกครองและป้องกันประเทศต้องล้มตายกันไปครั้งละ ม, มากๆจนกรุงศรีอยุธยาสิ้นคนดีต้องเสียกรุงไปในที่สุดปัญหาเช่นนี้เมื่อมาถึงยุคกกรุงรัตนโกสินทร์ ได้หาทางป้องกันไว้โดยนำเอารักอนเนกชนนิกรสโมสรสมมุติมาใชในการตั้งพระเจ้าแผ่นดินกล่าวคือให้มีการประชุมเจ้านายคุนนางและพระสงฆ์ราชาคณะเลือกตั้งเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่เหมาะสมที่สุดขึ้นสเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศต่อไปการเลือกตั้งนี้ ไม่จำต้องคำึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์แต่คำึงถึงความสามารถและความเหมาะสมเป็นเกณฑ์เจนได้จากตัวอย่างเมื่อสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภารายที่ประชุมได้เลือกกรมมหรหวงเจสดาบดินซึ่งเป็นแต่เพียงพระองค์เจ้าลูกเธอทรงกรม ขึ้นเ o วย r ิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวมิได้เลือกเจ้าฟ้ามงกุฎส ม, มุติวงซึ่งเป็นพระเจริองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีคือกรมสมเด็จพระศรีทุริยเณนขึ้นเ o วรยราชแต่ในขณะนั้นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเต็มเรด้วยหลักฐาน แห่งอธิปไตยของปวงชนแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสมุรณาญาสิทธิราชก็ทรงดำร ง, ดำรงตำแหน่งได้ด้วยอนเนกชนนิกรสโมสรสมมุติชนทั้งหลายมาประชุมเลือกตั้งขึ้นน่าอัศจรรย์ใจที่อธิปไตยของมวลชนนั้นมาถูกริดรอน ถูกระงับในยุคระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญบ้างไม่มีบ้างนี่เองจะสรุปได้หรือไม่ว่ายุคประชาธิปไตยของเมืองไทยนี้เป็นยุคที่พระเจ้าเป็นดินและราชสรดไม่มีอำนาจ เอาออกนอกมือพม่า ก, กลับมาเมืองไทยว่าเปรียบเทียบกันไปตามสมควรเอาหันกลับเขาเรื่อเขาราวกันต่อไปว่าในระยะนั้นพระนางอเลนันดก็เริ่มจะแผ่อานาจในวังและพยายามที่จะแผ่อานาจเหนือพระนางมันมาโดซึ่งเป็นพระอัครมเหสี และแม้แต่เหนือพระเจ้ามินดุงเองด้วยได้กล่าวมาแล้วว่าราชประเพณีในเมืองพระม่านั้นอนุญาตให้พระอักกมเหตสีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นที่จะประทับร่วมราชอาณาจับพระเจ้าแผ่นดินได้พระนางอเลนันดอเป็นเจ็ดเป็นแค่นักในเรื่องนี้เพราะทรงถือว่าพระองค์เองก็เป็นพระเชติดาของพระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกับพระนางอ่า นั่นมาดอรพระกรรมเอกสรีเหมือนกันนะ่ะก็ควรที่จะประทับ ร, ร่วมพระชาชอาณาจกับพระเจ้ามินดุงได้เหมือนกันต่อมาก็ทรงทําให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายว่าพระนางสามารถขึ้นประทับ ร, ร่วมพระราชอาณาจได้และประเพณีพม่านั้นถือการเจาะหูเด็กผู้หญิงเป็นงานใหญ่เด็กที่เจาะหูแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปเช่นเดียวกับการโกนจุก ข, ของไทยเราในสมัยนั้นแหละต้องมีการทำบุญสุนทานมีงานฉลองกันมากการเจาะพระกัรพระชัติดาพระเจ้าแผ่นดินจึงเป็นพิธีใหญ่เช่นเดียวกับงานโศกการของไทยในสมัยนั้นเหมือนกันในในงานเจาะพระกัรพระชัิดาองค์แ็กของพระนางอเลนันดดอเองนั้น ก็มีพระราชพิธีร่างงานฉลองเป็นการใหญ่ตามราชประเพณีพระเจ้ามินดุงและพระอัครมเหสีเสด็จออกพระแท่นเสวตฉัดที่ทองพระโรงในพอเสด็จออกยังไม่สุดเสียงประคุทุกคนที่เฝ้าอยู่ก็ตกใจเมื่อแลเห็นพระทวารข้างหลังพระแท่นค่อยๆแง้มออกแลพระนางอเลนันด์ก็เสด็จออกทางพระทวานนั้น ขึ้นมาประทับบนพระแท่นสเวตชัตัเคียงพระองค์พระเจ้ามินดุงอีกด้านหนึ่งของพระอัคคะเมเหสีผู้ที่เฝ้าก็ได้แต่คอยดูว่าพระเจ้ามินดุงจะทรงทําอย่างไรต่อไปเพราะการกระทําของพระนางอเลนันดอนนั้นพิษราชจะประเพณีอย่างร้ายแรงอาจจะเป็นโทษอย่างหนักถึงชีวิตก็ได้และก็ไม่มีใคร เคยนึกว่าพระนางอเลนันโดจะกล้าทำถึงเพียงนั้นพระนางมันมาดอพระอาการเหตสีนั้นพระพักบึง้งพระอาการมึนตึงขึ้นมาทันทีแสดงว่าไม่พอพระไทยอย่างมากเชี่ยรักแต่พระเจ้ามินดุงก็หาได้มีรับฟังอย่างไรไม่คงมประทับพระราชอาต่อไปตามปกติพิธีเจาะพระกันก็เริ่มดำเนินไปตามระเบียบ พระอักมหาสีสเสด็จขึ้นก่อนเสร็จพิธีแล ะ, สะเสด็จ ก, กลับตําหมักเลยทีเดียวแต่พระเจ้ามินดุงยังคงประทับต่อไปจนเสร็จพิธีบนพระแท่นสเวตฉัจรจึงมีแต่พระเจ้ามินดุงและพระนางอเลนันดอตั้งแต่นั้นมาคนทั้งปวงก็รู้ล่ะว่าพระนางอเลนันดอมีอํานาจมากที่สุดในวัง เหนือพระกะเมศสีและเหนือพระเจ้ามินดุงเสอีกด้วยพระทรงกระทำการอาจเอื้อมต่อหน้าคนได้โดยไม่มีโทษทุกคนก็ยำเกรงพระนางอะเลนันดอตั้งแต่นั้นมาหลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณหนึ่งปีพระนางนันมาดอ พระอัคมเหสีก็สวรรคตรพระเจ้ามินดุงทรงโศกเศร้าเสียพระทายยิ่งนักถึงกับทรงผ้ารัดพระองค์ขาวเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่พระอัครมเหสีไปจนตลอดราชการโปรดให้บรรจุพระบรมศพพระอัคมเหสีไว้ในสถูปใหญ่ที่สร้างขึ้น มิได้ถวายพระเพลิงแล้วให้ปลูกพระที่นั่งกร น, นอิกกงหนึง่งใกล้พระสถูปที่บรรจุพระบรมาาศพมนั้นเพื่อที่จะไปประทับอยู่ใกล้พระอ Gra ากมเหสีเป็นครั้งคราวเมื่อพระกมเหสีสวรรคตแล้วพระนางอเลมันดอ ก, ก็หมดอุปสรรคกีดขวางทรงแผอ่อำนาจเหนือพระเจ้ามินดุงและคนอื่นๆยิ่งขึ้นทุกที แต่ก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้ามินดุงไม่ทรงยอมทาตามพระทัยของพระนางอเลนันโดคือไม่ยอมตั้งให้พระนางอเลนันโดเป็นพระกรมเมษสีแทนองค์ก่อนแต่ทั้งนี้ก็มิได้ทรงปฏิเสธเด็ดขาดเป็นแต่ทรงผัดพรให้พระนางอเลนันโดอรอไปก่อนเพื่อเอาพระทัยพระนางอเลนันโดเท่านั้นแหละพระเจ้ามินดุง พระราชทานสุเวตฉัรให้ใช้ซึ่งทําให้พระนางอะเลนันดอเป็นพระอักษรมเห็ดสีไปโดยพฤติไนต่อมาได้ช่างเผือกมาใหม่จากเมืองถวายพระเจ้ามินดุงก็พระราชทานช่างเผือกเชือกนั้นให้แก่พระนางอะเลนันดอทําให้พระนางอะเลนันดอได้เฉริมพระนามใหม่ว่าสินพยุมาตริน แปลว่านางพระยาช้างเผือกละ่ะผู้คนก็เรียกพระนางอเลนันโดด้วยพระนามิสืบต่อกันมาคืออานางพระยาช้างเผือกเพร่อนางอเลนันโด น, นั้นหาได้มีพระเจ้ารุษไม่มีแต่พระจัตถิดาพระจัตถิดาองค์ที่โปรดมากนั้นได้แก่เจ้าฟ้า สุภยาลัตผู้มีพระรูปโฉมงดงามและมีพระนิสัยมักใหญ่ฝ่ายสูงเหมือนพระเจาชนานีพระเชติดาองค์ใหญ่นั้นมีพระนามว่าเจ้าฟ้าสุภคยีมีพระนิสัยเงียบเงียบจึงไม่เป็นจึงไม่เป็นที่โปรดปรานนักพระเจ้อรถของพระเจ้ามินดุงอีกพระองค์หนึ่ง ถึงประสูตจากพระมเหสีที่เป็นเจ้าฟ้าไทยใหญ่จากเมืองสีป่อทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าสีปอตามมาเมืองของพระเจ้ามนดาเจ้าฟ้าสีป่อเคยไปเข้าโรงเรียนฝรั่งเมื่อทรงพระยาวดังที่ไดราร่อยฟังมาแล้วบัดนี้พระเจ้าสีป่อทรงเจริญมีพระชนครบอุปสมบท พระเจ้ามินดุงจิงโปรดให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและทรงพำนัมมกอยู่ในวัดหลวงในพระเชวังร่วมกับเจ้านายลูกเธอองค์อื่นๆที่ทรงผนวดเอ่ว่ากันว่าเจ้าฟ้าสีปอ น, นั้นทรงเฉลียวฉลาดศึกษาพระปริยัติได้คล่องแคล่วเมื่อถึงคราวสอบมารีก็ทรงเข้าสอบในสนามหลวงและสอบได้เป็นอย่างดี เป็นที่พอพระเจริญไทยของสมเด็จพระชบิดายิ่งนะักฝ่ายเจ้าฟ้าสุภยาลัตนั้นก็ทรงพระเจริญแรกรุ่นขึ้นมาได้โดยเสด็จตามพระเจบิดาและพระเจาชนานีออกไปบำเพ็ญพระเจาภูอยู่เนึองนิดเด็จทอดพระเนตรเห็นเจ้าฟ้าศรีปอผู้ซึ่งอยู่ในพิขุภาวะ สีภาคกาสวพัดจะโปรงงดงามมักก็มีพระไทยประดิพัทธ์เสนิหาต่อมาก็มักจะเสร็จออกไปบำเพ็ญพระกุลด้วยพระองค์เองที่วัดหลวงอยู่เนืองเนืองแล้วเริ่มทอดสนิทติดพันกับเจ้าฟ้าสีปอจนถึงบางครั้งก็เล็ดลอดออกจากตำหนักไปในเวลาค่ำคืนเพื่อไปเฝ้าเจ้าฟ้าสีปอที่วัดหลวง โดยมีข้าหลวงกนสนิทตามเสด็จไปแต่คนหนึ่งหรือสองคนกว่าจะเสด็จกลับก็ดึกดื่นทั้งหมดนี้พระนางอเลมันดอรพระเจ้าชนานีก็ทรงทราบแต่ถึงทรงทราบก็ไม่ได้ทรงห้ามปรามแต่ประการใดกลับทรงทรงเสริมสนับสนุนเพราะนางประยาช้างเผือกนั้นพระนางอเลมันดอนนั้น ทรงเห็นว่าตำแหน่งรัชทายาทนั้นยังว่างอยู่จากฟาสีป่อนั้นถึงจะเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นเล็กๆแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับเป็นรัชทายาทได้เพราะมีพระเจาชุล น, นีเป็นพระมเหสีมิเช่ประสูตจากเจ้าจอมารดาที่สำคัญก็คือเจ้าฟ้าสีปอนั้นทรงเป็นคนอ่อน หากได้มาเป็นพระเจดุลเขยแล้วสนับสนุนให้เซเวราชก็จะตกอยู่ในใต้อำนาจของเจ้าฟ้าสุพยรัตผู้ซึ่งจะได้เป็นพระมเหสีแล้วก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของพระนางอเลแมนด์ตลอดไปทางฝ่ายพระเจ้ามินดุงก็โปรดรานเจ้าฟ้าสีปออยู่แล้ว ว่าทรงพนวดและสามารถสอบพระปริยัตได้หากพระนางอเลนันดอเพชรทูนให้ดีก็ อ, อาจจะโปรดให้ตั้งเจ้าฟ้าสีปอเป็นรัชทายาทโดยข้ามเจ้ามายอื่นๆที่มีอาวุโส ส, สูงกว่าไปเสด็จได้เมื่อทรงวางแผนไว้เช่นนี้แล้วพระนางอะเลนันดอก็เริ่มทอดพระเนตร ดูพระเมหสีและพระจัตติดาของพระเจ้ามินดุงทุกพระองค์ว่าพระองค์ใดจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นศัตรูพระองค์ใดจะไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นศัตรูคือไม่กีดขวางแล้วก็ทรงกําหนดว่าในพระไยว่าเมื่อถึงคราวจะจัดการกับเจ้านายที่เห็นว่าเป็นอุปสรรค หรือเป็นสัตรูนั้นอย่างไรทางที่จะขึ้นไปสู่ราชบัลลังก์พม่าในสมัยนั้นเป็นทางที่ฉลมด้วยเลือด นางพระยาชางเพือกออพระนางอเลนันดดอกทรงทราบ พ, พระราชพงศาวดาพรพมา่าดีจึงทรงทราบว่าเมืเม่อพลัดแผ่นดินใหม่นั้นถ้าหากไม่ทรงกาจัดผู้อื่นเสียพระองค์เองและพระชาดีดาก็จะถูกกาจัดศีลธรรมและพรมวิหารระธรรม ไม่สามารถรักษาผู้ใดไว้ได้ในสัตในสถานการณ์เช่นนั้นเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็ยังจะต้องหาทางรักษาพระองค์เองและพระเจดียดาไว้ให้รอดพระนางจึงเริ่มวานปลายหาสมัครพรรคพวกและทําให้คนที่ฝัดฝ่ายข้ามพระนางนั้นเข้าใจว่าถ้าหากทุกคนทําตามรับสั่งคนเหล่านั้น ก็เจ้าตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆเมื่อพลัดแผ่นดินได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาในรัชการของพระเจ้ามินดุงนั้นสั้นลงทุกทีนางพระญาช้างเผือกต้องเร่งทำการที่ทรงคิดไว้โดยรีบด่วนพระนางทรงเลือกผู้ที่จะเป็นกำลังอย่างฉลาดคนแรกที่จะมาเป็นพวกก็คือ กินบุญมิ่กี้อากรมหาเสนาบดีนั่นเอง เดถก้าสิบเก้าสี่แยกสุกระสักหลังโรเรียนในรอยจเจาะเป็นสถานที่จำหน่ายนักศึกษามทุกชนิดเพชรธรรมะมาก ม, มายแล่เพชรหมาชาติเครื่องกติงกรรมโดยพระครูสังครัชบุมเรือปัญญาพโรดสมณีสมบูรณ์ดาวชาบดกแร่เทศรหมาชาติเวสรั น, รดนดอนชาบดกแล่ทาขวัญหน้าโดยสมณีสมบูรณ์ดาวชาบดกและทำควันหน้าโดยน้ําทุ่งเพชรอุไทยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะ เท็ปธรรมะภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหมอเชียนพร้อมด้วยเท็ปธรรมะจากพระอาจารย์ต่างอีกมากมายเท็ปธรรมะสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเทรัพผู้ใหญ่ครบชุดณที่รานธรรมเจริญเลขที่เ็ถึงสายกุกระสัดถนนประชาธิปไตยหลังโรงเรียนในร้อยจอบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามด้ที่2 8 1 1 5ดห เจ็ดหครับครับ